วันนี้ได้คิดถึงที่พระ อ, องค์ตัดอธิบายความไม่มีโรคมีโรคเป็นที่สุดเนี่ยนะทีพูดถึงที่สุดะน ะ, ะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดถ้าภาชนะดินทั่วท่วไปก็มีความแตกทำลายเป็นที่สุดสมบัติมีวิบัติเป็นที่สุดเนี่ยนะเนี่ยนะความถึงเพราะมีความเสียหายเป็นที่สุดนนก็ เลยก็พูดแบบสัมโนนทั่วไปก็บอกงานเลี้ยงก็เลือกรา ก, กนะนะ็นักปณิ น, น, นี้นันมีแค่ว่ามีอะไรนะมีเริ่มต้นกับมีที่สุดแต่ว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะพิจารณาไอ้ท่ามกลางอันนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานนคือมันมีเริ่มต้นนะแล้วก็มีที่สุดไอ้แต่ไอ้ที่ดำรงอยู่นั่นอนะด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานนก็ ดำรงอยู่โดยความเป็นของที่มีแล้วก็ไม่มีดำรงอยู่โดยความเป็นของน่ากลัวแล้วก็ดำรงอยู่โดยความไม่มีสาระอะไรแต่ก็มีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดถ้าได้ปัจจัยพร้อมเขาก็เกิดหมดปัจจัยนั้นๆเขาก็เสียหายตายตอนนี้ทํามีคาถาทักไทยสัมโมธนียกคาถากันมากคุณนเราบันคุยเรื่องอะไร อะไรยังได้ยินอยู่เรื่อยเลยมาหูดีไปไมั้งเนาะพอดีเมื่อเมื่อวานเอาปรายณะสูตรเนไในอังคุตระนิกายชาการนิบาทให้ผู้การไปดู พอผู้การก็ดูเสร็จก็เลยอยากให้เอามากล่าวในช่วงเช้านี้บ้างสูตรนี้ก็นับว่าเป็นการมองถึงที่สุดเนี่ยนะอะไรเป็นสุดข้างหนึ่งอะไรเป็นสุดข้างหนึ่งนะนะอะไรเป็นซ้ายอะไรเป็นขวาอะไรเป็นตรงกลางเหมือนกันเถอะอะไรเป็นบนอะไรเป็นล่างอะไรตรงกลางเนี่ยนะก็จะเป็นคำคาลักษณะนี้ แต่ว่าในหัวข้อที่ตั้งเนี่ยเขาเอาอริยสัจมาคิดเนี่ยข า, ขาจะไม่เอาเรื่องแบบว่าระหว่างดำกับขาวอะไรอยู่ตรงกลางเขาจะไม่คุยแบบนี้นนแต่ทางธรรมะ ก, ก็จะพูดให้มองเห็นอริยสัจเนี่ยนะโดยการเอาภัสษะอย่างหนึ่งมามามองแบบที่สุดแบบด้วยภัสษะอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็มองอดีตอนาคตและปัจจุบัน อย่างที่สามก็พูดถึงเวทนาอย่างที่สี่ก็พูดถึงนามรูปอย่างที่ห้าพูดถึงอายตนะอย่างที่หก ก, ก, หก็พูดถึงส ก, กายะซึ่งทั้งหมดพระผู้มีพระภาคก็อนุโมทนาว่าเป็นสุภาษิตหมดเลยคือเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพร ะ, พระภาคประทับอยู่ณนะป่าอิสิปตนะมรุกทายวัน ตายสิปัตนะก็เมืองพาราณสีนะเมืองนี้ชื่อดังกระบอกเมืองกระบอกว่าที่อื่นเนี่ยเปลี่ยนชื่อหมดเลยในในในใ น, ในอินเดียนะมีอยู่เมืองนี้ที่เดียวที่ไม่เปลี่ยนชื่อคือเมืองพาราณสีเมื่อไรก็พาราณสีทั้งปีเนี่ยนะจะ ก, กี่พันปีก็พาราณสีเห็นไหม ทนป่าอิสิ ป, ปตนมรรคทายวันเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือเป็นเมืองที่พระอรหันต์ไปโปรดมากเนี่ยนะถ้าจะว่าไปนะเป็นเป็นมัชิมะประเทศที่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยพระอรหันต์โดยมาจะไปโครจร อ, อยู่แถวนั้นเนี่ยนะจะไปโครจรแล้วก็จะพักณสถานที่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะตรงนั้นเรียกว่ามรรคทายวันมรรคะเนแปลว่าเนื้อเนี่ยนะ ก็คือที่ให้อภัยแก่พวกเนื้อทั้งหลายแหละนะที่พระราชทานเหยื่อให้แก่เนื้อไปทั้งนั้นก็กยังมีเลี้ยงเนื้ออยู่ตั้งหลายตัวเลยเนี่ยนะขานะก็มาขายถั่วให้ต่จะซื้อถั่วให้เนื้อบ้างไหมบอกไม่มีกระตังหรอกงนั้นะแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เลยไม่ได้ให้อะไรสักอย่างนะแล้วก็จะมีคนแขกขายพวกผักผลไม้เนี่ยเอาไว้เลี้ยงพวกเนื้อนะ ทัวแบบถั่วที่คนไม่กินแล้วนะก็จะไปไว้เลี้ยงพวกเนื้อพวกกว้างอ่ะนะคำว่าเนื้อนี่หมายถึงพวกเก้งพวกกว้างพวกเนี่ยตระกูลทั้งหลายเหล่านี้แหละทีนี้ภิกษุหลายรูปท่านจำอยู่ในป่า น, นั้ น, นนะกลับจากบิณฑบาตในภายหลังนั่งประชุมกันอยู่ที่โรงกลมแล้วก็เกิดการสนทนาขึ้นกันในระหว่างว่าอวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในปัญหาของเมตยะมานก ในปารายนาสูตรเนี่ยนะปารายณวักในในถ้าจะดูแบบพิสดารก็ดูในจุลนิเทศเนี่ยนะจุลนิเทศเอาปารายนาวักคือปัญหาของมนุสบกท่านเนี่ยนะอาชิตะมานุปเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นลูกศิษย์ของพรามพวรีไปถามปัญหาซึ่งที่สุดของการตอบปัญหาก็จะบรรลุทุกๆอย่างแม้กระทั่งในปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสุญญตาอันนั้นก็โมกขราชมานุ ป, ปัญหาเนี่ยนะ ทนี้ก็เอาเฉพาะเมตเตยะมาน์ซึ่งพระองค์ตรัสตอบเป็นคาถาที่ยาวแต่ว่าเอามาสนทนากันเฉพาะ1คาถา1คาถาก็คือสองบรรทัด4 4บาทเหมือนกันเถอะ4บาทว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาส่วนสุดทั้ง2องะ น, นี่ยแสดงว่ารู้ซ้ายรู้ขวาเหมือนกันเถอะรู้รู้ที่สุดอย่างนี้ด้วยปัญญา แล้วก็ไม่ติดอยู่ในท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษนะผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วนี่นะคือไม่ติดอยู่ในส่วนเออได้นะรู้ส่วนสุดทั้งสองเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ติดในท่ามกลางนี่นะเออแล้วคนเนี้ยก้าวล่วงตัณหาที่มาร้อยรัตในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะนี่แหละเรียกว่ามหาบุรุษมันั้นะ ถ้าจะเป็นมหาบุรุษก็ต้องเป็นอย่างนี้นะมหานี่แปลว่าใหญ่บุรุษก็คือผู้ผู้ชายานะทั่วไปหมายว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันเด้อทีนี้อาุโสทั้งหลายส่วนสุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นฉันหนอส่วนสุดที่สองเนี่ยเป็นฉันหนออะไรเป็นส่วนท่ามกลางอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะก็มาสนทนากันอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งก็ได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าเนี่ย น, นะ คือกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มระดับคณาจารย์เข้าสนทนากันเห็นไหมเป็นระดับครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มากๆแล้วนะก็จะออกความวาอวุโสทั้งหลายภาษะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดขึ้นของภาษะเป็นส่วนสุดที่สองความดับแห่งภาษะเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัตภาษะและเหตุเกิดขึ้นแห่งภาษะนั้นเพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆ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 ก็สับแรกนะว่าภาษะคําว่าภาษะข้อแรกข้อสองภาษสมุทัยว่างั้นแท้สามภาษานิโรธเนี่ยนะก็จำไว้3ามคำนะเอาภาษามาตั้งภาษาภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งภาษาสมุทัยเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งภาษานิโรธเป็นส่วนท่ามกลางว่างั้น คำว่าภัสสนิโรดนั้นเป็นชื่อของนิพพานนะส่วนภัสสะสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดภัสสะเพราะฉะนั้นบทว่ามัดเชความว่านิพพานชื่อว่าท่ามกลางเพราะหมายคำว่าแยกธรรมะคือแยกภัสสะและเหตุเกิดของภัสสะออกเป็นสองฝ่ายโดยตัดตัญหาเครื่องร้อยรัดเสียได้ ตันหาหินังสิปฏิความว่าตันหาย่อมร้อยรัตคือย่อมเชื่อมต่อภาษาเก่าวคืออัตกระเวคือภาษากับภาษาสมุทัยเนี่ยนะนั้นเอาไว้ด้วยกันถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะทำพบนั้นๆันั่นแลให้บังเกิดอธิบายว่าถ้าหากตันหาจะไม่พึงร้อยรัตภาษากับเหตุเกิดแห่งภาษาไว้ไซพบนั้นนั้นอะจะไม่พึงบังเกิดขึ้นเนี่ยนะ ถ้าดูตามที่ผู้การเขียนไว้นี่นะก็จะเห็นชัดว่าภาษาอันเนี้ยเกิดจากอะไรแล้วก็ก่อนที่จะว่าภาษานะภาษานี่มาจากไหนมาจากสลายตะนั่เนี่ยนะสลายตนะนส่วนภาษาสมุทัยเนี่ยหมายถึงว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุของภาษาเอ่อ เป็นเหตุของผัสสะหรือเป็นเหตุแห่งพบต่อไปเนี่ยนะถ้ามองอีกในหนึ่งว่าอันนี้ก็พบหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็อีกพบอ่อันนี้คือเหตุแห่งพบเนี่ยนะก็คือเป็นเท่ากับเป็นสายเหตุเนี่ยนะทีนี้ไอ้ไอ้สองอย่างเนี่ยปกติแล้วอะไรมันมันมัดกันเอาไว้เนี่ยนะมันก็บอกว่าตันหาเป็นตัวร้อยรับ เพราะนั้นไอ้ภาษานิโรธที่เรียกว่าเป็นส่วนท่ามกลางเพราะว่ามันมาเป็นตัวที่ตัดตัดตันหาเครื่องร้อยรัดอันนี้เพราะในภาษาท่านบอกว่าเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งไม้หนึ่งท่อนนะนะส่วนภาษาสมุทัยก็เป็นไม้อีกหนึ่งท่อนตันหาเนี่ยเหมือนกับเชือก เชือกมามัดกันเอาไว้ให้มันติดกันเพราะน้นถ้าหากว่าตัดและส่วนนี้ได้อันนั้นแหละเรียกว่าภาษานิโรธเนี่ยนะก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่คนที่รู้อย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องมองให้ให้เป็นสัจจะทั้งสี่ใช่ไหมมองให้เป็นสัจจะสี่คือให้ถ้าถ้ามองให้เป็นสัจจะสี่นะพอพก็เป็นทุกขสัต์ ใช่ไหมพบก็เป็นทุกขสัตว์ตันหาตัวเนี้เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไ อ, ไอตรงเนี้ยเป็นกิจก็คือปริญญาเนี่ยนะฝั่งนี้ก็ปริญญาอันนี้ก็เป็นอะไรประหารนะเนี่ยนะที่จะประหานะอันนี้ได้ต้องมีอันนี้เป็นอารมณ์จึงจะละได้อย่างแท้จริงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้อย่างนี้นะก็จะทํากิจรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ก็สามารถทําที่สุขแห่งทุกในปัจจุบันได้ก็บรรลุอริยาศาสตร์ได้เลยใช่ไหมคือที่ผม สนใจคือเพราะว่าาธรรมะคือภาษะองค์ธรรมนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ตะก่อนผมไม่มีความเข้าใจเอาเลยนะพอพูดถึงภาษาก็งงเลยนะบอกเอ้ภาษะไอ้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการเข้ามาสัมผัสเข้ามากระทบซึ่งจะว่าผิดก็ไม่ผิดจะว่าถูกก็ไม่เชิงแต่บอกภาษานั้นเป็นนามธรรมยิ่งยิ่งทําให้เรานิ่งงเลยว่ะนึกไม่ออกเลยว่า ภาษาเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่ถ้ามองให้เป็นวิถีนะจะไม่ไม่ยากนักภาษาอันนี้อมอมเวทนาไว้ด้วยเนี่ยนะโดยโด ย, โดยสับนะอมเวทนาไว้ด้วยเวทนาเป็นปัจจัยแก่อะไรปกติแต่กตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยแก่อะไรอันนี้กรรมเนี่ยนะก็เท่านี้เองเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือถ้าตัดรอยต่ออันนี้นะตัดรอยต่อตรงนี้ได้กรรมมันก็จะไม่นําเกิดอีก นนะการที่จะตัดกรรมออขอไปตัดตัณหาอันนี้ได้อันนั้นะต้องมีนิโรธหรือนิพานเป็นอารมณ์จึงจะตัดอันนี้ไดนนะ้ทีนี้การที่จะตัดตรงนี้ได้จริงๆก็ต้องทําปริญญาในในสองส่วนเนี้ยจนพอว่างั้นเถอะอนนะจนกว่าจะตัดเชือกร้อยระหว่างภาษะกับกรรมได้อันนีเน้เป็นในที่หนึ่งห ทนี้เราอลองย้อนเข้ามาหาภาษาภาษานั้นก็คือมีอายตนะเป็นปัจจัยเนี่ยนะอายตนะหมายถึงอายตนะตัวเนี้ยเป็นที่ประชุมเนี่ยนะเป็นที่ประชุมหรือเป็นบ่อเกิดเป็นเหตุเกิดภาษานั้นก็อาศัยบ่อบางทีเราเคยได้ยินคำว่าภาษาอายตนะ อายตนะตัวนี้แปลว่าบ่อบ่อเกิดของภาษาเห็นไหมว่าภาษาเวลาจะเกิดมันก็ต้องมีบ่อเกิดใช่ไหมก็ต้องมีหลุมที่เกิดนะนะบ่อก็คือลุมอ่ะลุมที่จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยลุมอาศัยบ่อภาษาก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยอายตนะคือตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจเห็นไหมทีนี้การที่จะภาษาจะเกิดขึ้นต้องมีอายตน ะ, ะคําว่าอายตนะนี้อมถึงอายตนะภายในและ อายตนะภายนอกเนี่ยนะอมสองหงั่งไว้เลยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอะ่ะเป็นปัจจัยจึงเกิดภาษะถ้าหากว่าไม่มีอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็ทําให้เกิดภาษาไม่ได้ก็ต้องมีอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกเป็นเหตุให้เกิดภาษะเนี่ยนะนผู้ที่เข้าใจภาษะดีก็ไม่ควรลืมชาชักกระสูตรเป็นต้นนะ ก็ถ้าทวารตาก็อาศัยจักขู่กับรูปเกิดจักขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะนั่นนะทางหูก็หูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเกิดผัสสะนั่นนะทีนี้ปกติแล้วผัสสะกับที่อารมณ์ของผัสสะนั่นก็คืออารมณ์นี่นะอารมณ์นี้ก็แบ่งออกเป็นทั้งอิถารมอิถารมนี้แปลว่า อารมณ์ที่น่าปรารถนาส่วนอ น, นิถารมก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนามันถึงจะอารมณ์อะไรก็ตามก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาทีนี้จะเป็นเวทนาไหนก็ตามปกติก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาอยู่ดีถึงถึงสมมุตินะคนนี้เก่งมากเจริญให้เป็นกุศลได้เลยเมื่ออายตนะประชุมกันนะให้เวทนาอันนี้เป็นเวทนาที่เป็นกุศลน่เอา้าหลังจากนั้นตันหาก็เกิดอีกต่ออยู่ดี เห็นไหมเช่นนะแม้เมื่อวานชั้นกุศลเจริญมากแต่วันนี้ไม่ใช่นะแต่หมายถึงเมื่อวานเพราะฉะนั้นไอสิ่งเมื่อวานนั้นก็เอามาเป็นอาหารอันอร่อยของตันหาอีกอยู่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาธรรมะบางคนของมายังนึกขำอยู่เรื่อยเลยเป็นกันเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาเจริญมากเขาดีมากลึกซึ้งมากนะของมาก็นึกเลยว่าเออมันก็เหมือนกับว่าเขาไปกินอาหารมื้อก่อนนี่อร่อยมาก แต่ว่าตอนนี้เขาหิวอยู่เพราะงั้นนะแต่เขาก็จะไปไหนก็จะเล่าแต่ไอ้มื้ออร่อยมื้อนั้นอย่างเดียวนะแต่ว่ามื้อนี้เขากําลังอดมากหิวมากคือปกติก็แม้แต่เวทนาที่เป็นกุศลเมื่อวานเหลือไหมล่ะไม่เหลือแล้วก็คิดถึงเอาเฉยๆเพราะฉะนั้นอาการคิดถึงเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาด้วยอํานาจอารัมมณปัจจยัยอารัมมณูปนิสยปัจจยัยนี่ยนะถึงเวทนาที่เป็นกุศลนะ ไม่จากล่าวถึงเวทนาที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใดกาหนดรู้ภาษะก็เท่ากับกาหนดรู้เวทนาเพราะว่าเวทนานี้เป็นอาการที่ปรากฏของภาษะถ้ามีภาษาต้องมีเวทนานนะเป็นอาการปรากฏของภาษะทีนี้เหตุใกล้ของเขาอะ่ะก็คืออายตนะ อันนะเหตุใกล้ของภาษาคืออายตนะนั้นคนที่รู้จักภาษาดีจะรู้จักอายตนะด้วยจะรู้จักเวทนาด้วยถ้ารู้จักเวทนาจริงก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นธรรมะใช้คำว่าอุปนิสยปัจจัย อ, อุปนิสัยปัจจัยแก่แก่ตัณหาอุปนิสัยมีสามอย่าง อ, อุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคือหนึ่งอารัมมณูปนิสยัย ส อ, อนันตรูปนิสัยสปกจตูปนิสัยเนี่ยนะก็เลยได้อุปนิสัยแก่ตันหาทีนี้ถามว่าตันหาเนี่ยเวลาเขาเกิดขึ้นนะเขาถือในสิ่งเหล่านี้โดยโดยอะไรสูตรก็คือว่าตันหาเมื่อเขาเกิดขึ้นเขามายึดถืออายตนะยึดถือภาษายึดถือเวทนานะ พูดยึดง่ายๆก็คือเขาว่านั่นอะของเราเนีย่ยนะอันนี้เขายึดอีกอย่างหนึ่งวิธีเขายึดไนยะบอกว่าเราเป็นนั่นเนีย่ยนะนั่นอัตตาของเราเขาเขาจะยึดสามอย่างเนี้ยโดยรวมๆแล้วนะมันไม่เกินสามอย่างนี่หรอกอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นหัวข้ออุเทศใหญ่เหมือนกันเพราะว่านั่นของเรา โลภะหรือตันหาเราเปนน็นนั่นคือมานะนั่นเป็นอัตราของเราก็คือทิฏฐิก็ขยายใหญ่เลยว่าตันหาเช่นตันหาร้อเนี่ยนะมานะ9ทิฏฐิ62เนี่ยนะมันก็จะต่อเรื่องราวใหญ่โตนะคือพูดถึงความซับซ้อนของคนมีโลภะเหมงอนกันเถอะความคนมีโลภะมันก็ลึกซึ้งนั่นไนะ ถ้าไม่ลึกซึ้งนีมันจะเขียนจดหมายรำพันเรื่องโลภะได้ไม่ยืดยาวอะไรขนาดนั้นนะคุยโทรศัพท์โยมเขเล่าว่าคุยกันได้ทั้งคืนก็ว่างั้นคนอื่นโทรจะไปโทรม้างมันคุยไม่ได้คุยอะไรกันนักกันหนาก็ว่างั้นตู้โทรศัพท์ข้างแนนนี่มันแตกๆก็เพราะเรื่องนี้แหละเนี่ยนะก็มันคุยกันเยอะมานะเหมือนกันไหเด็กของมานะก็พูดมากทิฏฐิก็ยิ่งพูดมากใหญ่เลยนะพ้นสรุปแล้วทั้งไอโลภะมานะทิฏฐิเนี่ยมันเกิดมาก แต่ว่าเชื้อเดิมมันจริงๆมันมีไม่เท่าไรหรอกมันมีตามีนะาว่ามีอายตนาภายในมีอายตนาภายนอกมีภาษามีเวทนานะต้นเขาเดิมเขามีอยู่เท่านั้นจริงๆเนี่ยนะพูดถ้าถ้าเปรียบเทียบประมาณมันก็เหมือนกับว่ามันมีวัตถุดิบของการปรุงอาหารนะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างในในในกับข้าวหนึ่งชนิดนะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างอะแต่ว่าปรุงไปปรุงมามันเป็นกับข้าวที่มากมายเหลือเกินเนี่ยนะ ก็อเอาแต่เรื่องนั้นแ่ะมาคุยกันมันก็วิจิตพิสดารอย่างนี้นี่แหละทีนี้วิธีแก้แก้เขาแก้ตรงไหนถ้าแก้นะอ่นนี้ถ้าตั้งคาถามหมายก่อนว่าถ้าถ้าไม่แก้ปล่อยไว้แบบนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะอ่นะว่ตาตะไม่จ บ, นะ ไ, มจบไม่สิ้นเลยนะขอโนโมทนาด้วย เ, นะเห็นภัยหน่อยนี่ก็เจ๋แล้วเนี่ยนะเนะี่ยะ ทีนี้เมื่อเห็นว่ามันไม่มีจบมีสิ้นแล้วก็ไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยโดยทั่วๆไปเขาน่ากลัวตรงไหนเขามาน่ากลัวตรงภาษาสมุทัยเนี่ยงนะถามว่าทำไมจึงน่ากลัวเพราะว่าเราจเจริญมาทั้งกุศลและอกุศลกุศล8ปดอกุศล12ปกติก็กำหนดพบได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าควรจะเกิดที่ไหนะนะพูดตามเหตุตามผลน่นะ ถ้าบูพูดแบบค้าขายก็รู้อยู่แล้วว่ามันควรจะกำไรหรือจะขาดทุนเนี่ยก็รู้ตัวอยู่แล้วว่างั้นเถอะถ้าปล่อยให้อันนี้ให้ผลนี่เดือดร้อนแน่เนี่ยนะคือบุญก็ทําละแต่ว่าบาปก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกซะที่ไหนล่ะมันก็ทําทั้งบุญทั้งบาปก็ถ้าบาปมันให้ผลนะเผลอไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปนรกนะพระองค์บอกว่าอันนี้คุกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะไม่เชื่อลองมีกรุณามากๆนะช่วยสงเคราะห์เดรัจฉานให้มาเป็นมนุษย์ที ว่าจะไปแนะนำเขายัางไงให้เขาทำบุญให้ทำเหตุมาเป็นมนุษย์นะคุณหมอก็บอกว่าถ้าสุนทรกะพอได้เหมอนนแต่ถ้ายังอื่นเนี่ยยากเหมืนกันนคือคือคือว่ า, วาปลูกฝังให้เดรัจฉานมากลับเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยนะมันยากมากๆไม่เชื่อก็เอาเนี่ยไก่วัดเนี่ยช่วยให้มันทำกุศลจะได้มาเกิดสุขติทีค่ะยังคิดช่วยยากเลยฉันดถ้าหากว่าไปเกิดในอบายเป็นต้นแล้วมันยาก เหตุที่ที่กรรมมันนําเกิดนะภาษาสมุทัยที่มันนําเกิดณนะพบใหม่ณนะที่ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากตันหาใช่ไหมพระองค์ก็เลยบอกว่าเออเธอรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ดีแล้วนะว่าสังสารวัตเป็นตายอย่างนี้ออคําพูดแบบนี้นะถ้าเทียบโดยยานนะถือว่าข้ามพ้นในการสามเลยนะละวิจิกิจฉาสิหกแล้นะโดยโดยเนื้อหาถ้าคนที่คิดเรื่องนี้อย่างละเอียดนะ จะละความสงสัยสิบหกอย่างได้หมดเลยนะปฏิจจสมุปบาทเขาเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยนะเข้าใจถือว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วอันนี้ผู้ธรรมะแบบประเภทกลุ่มอุคติตันยูนะเขาเข้าจะเข้าใจค่อนข้างมองออกหมดแล้วทีนี้แล้วรู้ด้วยว่าไอตัวเหตุเกิดหลักๆมันอยู่ที่ตันหารู้ด้วยนะถ้าตันหเกิดพบเกิดถ้าหมดตันหะพบหมดอันนี้นี่เขาเข้าใจล้ว นะมองออกละทีนี้พอมองออกแล้วทายังไงตัณหามันจะหมดรู้นะว่าถ้าหมดตัณหาแล้วหมดทุกข์อ่ะแต่ก็ต้องมารู้ว่าปฏิบัติยังไงจึงจะหมดตัณหาล่ะเนี่ยนะพองศ์ก็บอกว่าให้เห็นตามเห็นพวกนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานะเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะไอ้ตรงนี้แหละที่มันทวนทุกเรื่องเลยนะมันทวนเรียกว่าทวนข้อปฏิบัติแบบปุตุชนทุกเรื่องเนี่ยนะ เพราะปกตินะตาก็ยึดนะตาของเราอารมณ์ที่เห็นมันก็ของเราภาษาของเราเวทนาก็ของเราดีไม่ดีก็เอาพวกนี้มานะอีกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราดีกว่าของคนอื่นตั้งเยอะเป็ตนต้นนี่นะก็อดมานะไม่ได้ดีไม่ดีสําคัญว่านี่เป็นชีวะชนิดหนึ่งอีกจริงๆสําคัญว่าเป็นสัตว์จริงๆอันนั้นก็ตันหามานะทิฏฐิเกิดตลอดแล้วก็ถ้าเทียบนะวิชาในโลกนี้วิชาในโลกนี้ส่งเสริมพวกนี้ทั้งหมดเลย เป็นวิชาที่อธิบายส่งเสริมวิชาบางอย่างเช่นอันนะอย่างสายแพทย์ก็เน้นอธิบายว่าทำยังไงสลายยตนะคุณจะดีอันนะรักษาอายตนะอะไรให้มันให้มันดีอย่างนั้นเถอะเขาเขางานเ้ามีเท่านั้นนะรักษาอายตนะให้ดีจะได้เป็นบ่อของภัรษะที่ดีเวทนาที่ดีต่อไปแต่ถ้าเป็นสายการค้าก็จะขายอารมณ์ที่ดีได้ยังไงก็จะขายอารมณ์เท่านั้นเองเห กลุ่มหนึ่งก็รักษาอายตนะกลุ่มหนึ่งก็รักษาอารมณ์เนี่ยนะเอกกลุ่มหนึ่งก็มาควบคุมกิเลสว่าคุณอย่าเลยเถอดเกินไปนะก็เป็นวิชากฎหมายไปนะก็จะมาควบคุมก็อยู่เท่านี้จริงๆเพราะนั้นก็เลยมาเห็นโทษของของสิ่งเหล่านี้เห็นโทษของอายตนะเห็นโทษของอารมณ์แล้วก็เห็นโทษของผัสสะเนี่ยนะก็ตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราไอการจะเห็นอย่างนั้นได้เท่านั่นไม่ใช่ของเรา อันนี้เป็นอะไรเห็นยังไงจึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราก็เห็นโดยความเป็นทุกข์ว่าเราไม่เป็นนั่นนะต้องเห็นโดยความเป็นอ น, นิจจังเนี่ยนะนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะต้องเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะบางแห่งก็บอกว่าให้เธอเจริญสัญญานี้นะสัญญานี้มีผลมากสัญญานี้มีอ น, นิสงส์มากสัญญานั้นเป็นไนเนี่ยนะก็คือ พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือเรียกว่าอั น, นิีจะสัญญาในอย่างหนึ่งมีผลมากมีอั น, นิี้ส่งมากสองพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกเนี่ยนะอันนี้ก็มีผลมากมีอั น, นิี้ส่งมากแล้วพิจารณาในสิ่งที่เป็นทุกนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาสรุปก็เห็นพวกนี้โดยอันิีจังทุกขังอนัตตาเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นของเราเป็นอัตตาเป็นด้วยอำนาจตันหามานะที่ที่นะสำคัญว่าเราของเราจะยังลงสู่อริยมรรคที่เรียกว่าสัมมัตตนิยามไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้คือแม้ภาษาอัจฉริยะก็ดีอารมณ์ก็ดีภาษาก็ดีอะไรดีหมดเลยไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานคือเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นทุกข ก็บรรลุมรักผลนิพานได้ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตก็บรรลุมรักผลนิพานได้อนะตามเห็นโดยความเป็นอนิจจงก็บรรลุมรักผลได้ถ้าหากว่าผู้ที่เห็นโดยความเป็นทุกข์แล้วบรรลุมรักผลมรรคของเขาชื่ออะไรเนี่ยนะเห็นความเป็นทุกข์แล้วบรรลุนะเชื่อว่าอปปนิหิตามรักถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจงแล้วบรรลุเรียกว่า อนิมิตต่มักอนิมิตนะไม่มีนิจอนิมิตถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาและบรรลุเรียกว่าสุญญะตนะนะก็สุญญะตเพราะถ้าไม่เห็นทุกขสาบโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุไม่ได้สรุปเลยนะสรุปว่าบรรลุไม่ได้คือถ้ายังเมาในสิ่งนี้ก็ไม่พ้นจากสิ่งนี้ทีนี้การตรัสรู้อย่างนี้นะมันไปคั้วตัณหาได้บางส่วนเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดถ้าการแทงตลอดครั้งแรกแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่าจะละตันหาได้โดยเด็กขาดเนี่ยนะก็ทำให้นึกอย่างหนึ่งนะว่าคนที่เจริญปัญญาเนี่ยนะเขามีปัญญามากถามว่าเขามีปัญญามากยังไงมากตรงที่ว่าเขามองผัสสะแล้วเลยจนเห็นนิพพานเนี่ยนะพูดแบบสรุปเลยนะเขามองเห็นเวทนาแล้วเขาเลยไปหา น, นิพพานได้แต่ขอ ง, ของปุถุชนทั่วไปเนี่ยนะ เห็นอายตนะก็เกาะติดแค่อายตนะมันยังไม่เลยไปอีกหน่อยไม่เลยเห็นภาษาอยู่กับภาษาก็ติดกับภาษะเวทนาเกิดก็ติดอยู่กับก็เวทนาเพราะอะไรเพราะไม่เคยเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้เลยเห็นนะทีนี้พระริยสาวกท่านก็เจริญเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะแกะแกะออกเลยนะก็คือค่อยๆ่อยแกะนะเนี่ยนะถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็แกะว่าสําคัญว่าเป็นเราออกไป เป็นของเราออกไปถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจังก็แกะความสำคัญว่าเป็นเป็นเราออกไปถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตก็สำคัญว่าอัตตาของเราเนี่ยก็ค่อยๆแกะออกไปเขาถือว่าการปลดปล่อยอันนี้ได้การที่ตันหาไม่เกิดเป็นพรหมจรรย์อย่างประเสริฐเป็นความดีเยี่ยมเนี่ยนะมันถ้าจนกว่าจะแกะอันนี้ได้สมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยนะเห็นอารมณ์อะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาชานาญอย่างหมดเนี่ยนะก็ ทำที่สุดแห่งทุกได้แต่สำคัญนะว่ า, าคนพอฟังอย่างนี้แล้วศึกษาไม่ตลอดสายฟังไม่จบความ <c oughs> ก็เอออั น, นิีจังหมดเลยพ่อป่วยก็อั น, นิีจังก็เลยไม่ดูแลเลยนะส่งเสริมขี้เกียจอีกก็มีเนี่ยนะถ้าอั น, นิีจังทุกขังอนัตตามันจะมีกลุ่มที่เลยทงอ่ะนะกลุ่มที่ไม่รู้อริยศัสตร์มันจะไปเสียเรื่องศีลธรรมในระดับล่างๆก็เลยกลายเป็นว่าไม่รับผิดชอบ ซึ่งซึ่งก็จะมีกลุ่มคนที่เลยทงอันนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่สบายก็อ น, นิจจังหมดอะไรก็อ น, นิจจังหมดปล่อยวางหมด